วันนี้เป็นวันเข้พาพรรษาประวานนี้ก็เป็นวันอาสาหะบูชาจะว่าไปแล้วก็ทั้งสองวันเนี่ยถือว่าเป็นวันพระใหญ่พวกเรามักจะชอบไปทำบุญไปให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนากันสองวันเนี่ยเรียกว่าเป็นวันบุญมีญาติธรรมมาเยี่ยมมาคุย ก็ถามว่าไปไหนมามาจากไหนต่างก็จะบอกกันว่าอ๋อไปวัดมาไปทำบุญมาพาลูกพาหลานชวนเพื่อนไปทำบุญที่วัดโน้นวัดนีน้ก็มาอนุโมทนาบุญกันที่ชมรมนี่เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยเป็นบรรยากาศของบุญแท้ล า, างปลายต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยอิ่มบุญ บุญแสดงว่าเรื่องของบุญเนี่ยไม่เรื่องทันสมัยทันสมัยอยู่เสมอเรื่องของบาปเรื่องของอบัยามุขมันล้าสมัยไปแล้วมันเลิกแต่ละล้าสมัยเดี๋ยวนี้เข้ามุ่งเรื่องการทําบุญการเข้าพรรษาเราคารวะญาติยโยมเราไม่ได้ไปจํารพรรษาเหมือนพระกุญเจ้าที่วัดก็ไม่เป็นไรนะเราถือเอาสาระตรงนี้ก็ได้เรามาเข้าพรรษา ทิศิตทิศใจของเราเข้าพรรษาทางใจมันปัจจุบันกว่าคือการเข้าสู่คุณธรรมงามความดีเอาใจเราเนี่ยเข้าสู่คุณธรรมแล้วดึงเอาคุณธรรมเนี่ยเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเรามาเข้าพรรษาตรงนี้กันดีกว่าคุณธรรมเนี่ยก็คือการเริ่มจากการคิดดีพูดดีทดําดีคุณธรรมแบบเนี้ย เราทำได้ทุกๆวันเดี๋ยวนี้ก็ทำได้พูดดีคิดดีทำดีท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ที่คิดดีพูดดีทำดีเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนเราเริ่มได้เลยคิดดีเริ่มต้นคิดดีคิดออกจากกามคิดออกจากกิเลสอันนี้แค่ความคิดไปก่อนนะคิดที่จะไม่พยาบาท ที่จะไม่เบียดเบียนใครใเดือดร้อนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเราด้วยเริ่มต้นที่ความคิดอกดมันก็สำเร็จแล้วสำเร็จลงไปที่ความคิดพูดดีหรือไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียบไม่พูดเพ้อเจอ้อพูดจริงคำสั์คำจริงพูดคำไพเราะอ่อนหวานพูดมีประโยชน์ทูกาละเทศะเนี่ยอันนี้ก็พูดดีแล้วทาดี ทำดีทำอะไรก็ได้ที่เราจะรับการจะทำแต่สิ่งที่เรากระทำนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนชีวิตเขาไม่เบียดเบียนไม่ค่าไม่ทำลายเขาไม่ทรมานชีวิตคนอื่นแต่ใยทางตรงข้ามเราก็มีความเมตตามีความกรุณาให้อภัยเราก็ไม่รักกมย ในสิ่งที่เขาไม่อนุญาตไม่ลักขโมยเขาไม่โกงเขาไม่เอาเปรียบเขาในทางต้นข้ามเราก็เหม็นแค่ตัวเสียสละมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันความไม่เห็นแก่ตัวนี่ดีนะมีประโยชน์มากเราต้องมีน้ำใจบางครั้งเราอย่าทำตนเป็นทุกจ้างเสมอไปอเช่นว่าถ้าเขาไม่จ่ายแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้นะ เขาไม่จ่ายเงินเราก็ไม่ทำเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็ไม่ทำอันนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีน้ำใจคนที่มีน้ำใจนี่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนส่วนนี่เราให้คือเอือเพื่อเผื่อแพ่เสียสละไม่เห็นจกตัวอันนี้ไม่ใช่ลูกจ้างนะคือทาแบบไม่หวังผลทำแบบไม่ต้องการผลตอบแทนทำเปลี่ยนว่าเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอันนี้ก็เลยว่าเสียสละ บักให้ว่าก็มีอย่างนี้บ้างนะในใจิตใจเราเราจะได้มีใจิตใจที่สงบภูมิอกภูมิใจสบายใจเป็นที่เรากระทาถ้าเราทําเพื่อจะต้องการค่าจ้างถ้าเขาไม่จ้างเราไม่ทําใจเราก็เริ่มแห้งแรงไม่ภูมิใจรับเงินแล้วก็ทํางานอย่างนี้ไม่ค่อยภูมิใจสู้ทํางานแบบไม่รับเงินเสียเยมันน่าภูมิใจนะใจสบายมีความสุข บางทีเต้องมีแบบนี้บ้างไอ้ใจว่าจะต้องรับเงินตะพื้นเตอร์ปื้ออันนั้นมันก็จะไม่มีความสุขจิตใจจะแห้งแล้วได้แต่เงินเอามาใช้เรียกก็หมดส่วนที่รับจ้าง เ, าเราก็ทําไปแต่ส่วนที่น้ําใจเราก็ต้องมีบ้านเนี่ยอันนี้มันจะเป็นความสุขนอกจากเราจะไม่ผิดลูกผิดเมียสามีภรรยาไกลเราก็ทําดีโดยการสันโดษทําดีสันโดษสันโดษในคู่ครองของเรา ในสิ่งของของเราเราไม่ดื่มสุรากระถือว่าเป็นการทําดีเหมือนกันนะไม่ดื่มสุรามันล้าสมัยแล้วเราบรุรีเป็นเรื่องเก่าๆ เ, เรื่องทำร้ายตัวเองให้เดือดร้อนทําทําไมไม่ต้องไปละดื่มสุราสิ่งเสพติดเลิกล้าสมายัยเราโม่จะดื่มสุราสูบบุหรี่อยู่เนี่ยมันไม่ทันสมัยแล้วสมัยนี้ก็ต้องมีสติหันเหมาใช้ชีวิตอย่างมีสติรักษาจิตรักษาใจเรา ควบคุมวาจาควบคุมกายเราให้เป็นปกติด้วยสติอันนี้ทันสมัยกว่าเพราะว่ามันเอื้ออํานวยความประอยู่ให้กับเราทําให้แก้ปัญหาชีวิตเราได้ไม่เพิ่มปัญหาชีวิตขอ้อพันศาเนี่เราต้องทําสิ่งที่ทันสมัยนะเราต้องมีสติอยู่เสมอๆคุณธรรมทั้งหลายความดีทั้งหลายจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยจะต้องมีสติ สติจะเรียกเอาคุณธรรมทั้งหลายเข้ามาสู่จิตใจเราเลยแต่ว่าไปแล้วคือสติเนี่ยเป็นส่วนรวมแห่งความดีทั้งหลายทั้งปวงเป็นส่วนรวมแห่งคุณธรรมถ้าเราขาดสติสักอย่างเดียวเนี่ยบางทีคิดดีมันก็ไม่มีนะคิดไม่ดีพูดก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีเพราะขาดสตินําเอาคุณธรรมส่วนนี้มาใช้มันก็เลยขาดหายไปถ้าเรามีสติ รู้สึกตัวความคิดก็จะดีคำพูดก็จะดีการกระทำก็ดีไม่ปิดเป็นสุรุ่มเป็นคุณธรรมจริงๆซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถจะสร้างขึ้นมาได้สติเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเราทำตัวเนี่ ย, ยในปัญาเนี่ยเราถือว่าเรามาภาวนากันมาเจริญสติใช้ชีวิตอย่างมีสติคือรู้ลงไปเฉย ในการทําการพูดกันคิดรู้ก่อนทํารู้ก่อนพูดถ้ารู้ก่อนคิดได้แล้วก็เยี่ยมอลยเรียกความรู้สึกตัวมาก่อนแล้วค่อยทําหน้าที่เนี่ยไอเ น, นี่ยความผิดพลาดในชีวิตก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้จะเกิดสติก็รู้ได้ทันหรือเกิดไปแล้วก็แก้ไขได้ทันแก้ปัญหาได้ทันทวกทีเพียงแค่รู้แบบธรรมดารู้สึกตัวแบบธรรมดาแบบเป็นกลางๆเนี่ง ในการใช้ชีวิตเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลายความเป็นกลางความเป็นธรรมดาเนี่ยทำให้จิตไม่เครียดผ่อนคลายเดินก็เดินแบบรู้สึกตัวธรรมดาเป็นกลางกลางเนี่ยวางจิตบางใจเป็นกลางไว้บ้างในชีวิตเนี่ยจะได้มีความสุขสงบเย็นคิดเนี่ยก็มีสติรู้เป็นกลางกลางธรรมดาธรรมดาีดาและความคิดมันก็จะดับไป การกระทำอะไรก็ตามเนี่ยเราลองมีสติรู้แบบธรรมดาบ้างแบบธรรมชาติแบบเป็นกลางๆงเดินก็นรู้แบบธรรมดาวางใจเป็นกลางๆงการทำอะไรก็ตามลองวางกิจวางใจแบบธรรมดาเป็นกลางกดูซิบางทีมันจะผ่อนคลายนะใจมันจะผ่อนคลายไม่เครียดไม่ยึดติดในอารมณ์ต่างๆติดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้แบบธรรมดาเป็นกลางกลาง อารมณ์นั่นก็หลุดออกไปจากจิตเลยนะถ้าอารมณ์ไม่หลุดจิตเมื่อก็หลุดจากอารมณ์มันต้องหลุดข้างใดข้างหนึ่งละจิตธรรมดาเป็นกลางกลางเนี่ยเป็นจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นกุศลความเป็นปกติของจิตเนี่ยต้องธรรมชาติธรรมดาและเป็นกลางอันนี้คือทางสายกลางทางสายกลางในเรื่องของจิตเนี่ยคือทางสายกลางแล้วเราจะเห็นสภาวะธรรมต่าง ที่เกิดขึ้นในตัวเราในกายในใจเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยเป็นปกติเป็นธรรมดาธรรมดาของกายจิตคืออะไรก็คือการเกิดดับจิตที่เป็นกลางๆางปกติธรรมดาเนี่ยเห็นการเกิดดับในกายในจิตของเราได้ชัดเจนมากอาการของกายอาการของจิตเนี่ยชัดเจนกายที่มันเคลื่อนไหวเป็นเอเยอร์บทต่างๆเห็นการเกิดดับอยู่ในกายนะ การนั่งอ้โนี่รูปนั่งเกิดนะเห็นรูปเป็นนามรูปนั่งเกิดพอเปลี่ยนไปนอนโอรูปนั่งก็ดับแล้รูปนอนเกิดขึ้นมาลุกขึ้นยืนเมื่อเราลุกขึ้นยืนนะรูปนอนมันก็ดับไปเกิดรูปใหม่คือการยืนพอเปลี่ยนไปเดินออรูปยืนหายไปละดับไปละเกิดเป็นรูปเดิมขึ้นมาการขึ้นไหวตัวอย่างเป็นการเกิดดับเท่านั้นเห็นความสุขนะความสุขโอความสุขเกิดขึ้นมา มีสติรู้แบบธรรมชาติธรรมดาใจเป็นกลางๆเจนความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็หายในความสุขดับไปแล้วที่มันเกิดความทุกจิตทุกใจไม่สบายใจอ้ความทุกมันเกิดขึ้นในใจเนาะเดี๋ยวความทุกมันก็ดับไปนะมันมีการเกิดดับในความสุขความทุกยิ่งความคิดยิ่งแล้วเลยความคิดเนี่ยอ้คิดอะไรขึ้นมาสติรู้ ถ้าเรารู้แบบธรรมชาติรู้แบบธรรมดาธรรมดาใจเป็นกลางๆหนึ่เราเห็นความคิดเนี่ยเกิดแล้วก็ควาคิดหายไปต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อ ต, อตออยายิ่งความคิดเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยมันเกิดดับนับไม่ทันรวดเร็วมากสติก็เช่นเดียวกันสติเกิดอ่ะตอนนี้กําลังฟังทำอยู่นะอ๋อสติเกิดแล้วเดี๋ยวสักสครู่หนึ่งบางคนอาจจะสติหายไปแล้วก็ได้ มัวไปคิดปรุงแต่งนะสติมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเกิดความลงลืมสติขึ้นมานะความหลงเกิดหลงลืมสติความลงลืมสติก็ดับไปเราจะเห็นการเกิดดับของกายของเวทนาของจิตของธรรมะที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตา อันนี้อารมณ์ปัจจุบันต่อหน้าต่อตา อ, อันนี้ไม่ใช่คิดเอานะแต่คิดเอาเออเนี่ยมันกายใจนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอันนี้เป็นความคิดไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันไม่ใช่ต่อนหน้าต่อตาแต่ถ้าเรามีสติวางจิตวางใจให้เป็นกลางเนี่ยรู้กายรู้จิตแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาว่า กายจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือการที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นคาถาของพระอัญญโกรณัญญาพระพุทธองค์จีงบอกว่าโอ้โกรณัญญะรู้แล้วเนอะจึงเรียกว่าพระัญญโกรัญญ า, ญญาเห็นธรรมะ ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นความเป็นธรรมดาของกายของจิตความเป็นธรรมดาคืออะไรก็คือการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมแต่เราต้องเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆเห็นการเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงบ่อยๆบ่อยๆจนจิตมันยอมรับยอมรับไอ้ที่เราไม่ยอมรับเนี่ยเราจึงเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเรายอมรับในการเกิดดับก็จะมีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมัน จิตก็จะเบาสบายอันเนี้ยยอดของคุณธรรมนะการภาวนารนวันเนี้ยววนนพูดถึงวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาคือการเข้าสู่คุณธรรมสติสมัมปชัญญะคือเป็นยอดแห่งคุณธรรมศูนย์รวมแห่งคุณธรรมซึ่งทุกๆคนเนี่ยควรจะมีไว้